พระธรรมเทศนาแผ่นที่83าลำดับที่22โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่29มกราคม2 5 5 9มีชื่อเรื่องว่าสร้างวัตถุเพื่อบูชาพิจารณาปัจจัยทั้งสี่ พระไดวัดของเราขณะนี้มีอยู่ส1บอรูปวันนี้รู้สึกเห็นแสงแดดตอนเช้าเห็นแสงแดดขึ้นมาละตั้งแต่เมื่อวานตั้งแต่วันที่ยี่4 2บส6 2ย28สี่ยห้ายี่หกยเจ็ดสบปดนะไม่เคยเห็นแสงแดดเลยวันที่ย8สิบดตอนบ่ายสองโมงเห็นแดดมาแป๊บเดียว เห็นแสงแดดตอนบ่ายสองโมงเห็นแสงแดดก็เห็นแสงแดดเว้ยก็หายเงียบอีกแต่เมื่อคืนก็มีฝนตกบ้างนิดหน่อยแต่เมื่อเช้าน้ำค้างน้ำค้างเยอะเหลือเกินมืดไปหมดแต่ก็เมื่อวานหลวงพ่อกลับขึ้นไปกุฏิฟ้าผนังพื้นเปียกหมดเลย ฝาผนังห้องน้ำเอามือจับดูเหมือนกับคนคนเอาน้ำสาดลักษณะอย่างนั้นเปียกหมดแสดงว่าวัดของเราเนะี่ยชื้นมากเลยนะถ้าหากว่าตะกอนเก่าตอนสมัยเป็นป่าดงทุกแห่งหนมันจะชื้นขนาดไหนแต่ขนาดที่มีแต่ในวัดของเราเป็นป่า แต่ขนาดนี้ก็ดูๆแล้วก็โอ้ความชื้นในวัดของเราชื้นมากเปียกแฉะไปหมดแต่วันนี้ก็รู้สึกว่าน้ำค้างเยอะภาษาบ้านเราค่าหมอกน้ำห ม, หมอกหมอกควันเต็มไปหมดเลยคือไอฝนแต่รู้สึกว่าเดี๋ยวช่วงนี้ก็ ประมาณเจ็ดแปดโมงนีก็รู้สึกว่ามีเห็นแสงแดดขึ้นมาบ้างแล้ว <c oughs> ลำไรอันีว่าคงจะหายแล้วแะความหนาวที่นี่ก็ว่าจะมีอีกนะต้นเดือนกุมภาจะมาอีกสักรอบหนึ่งเตรียมเตรียมตัวเอาไว้เหมือนกันนะ่ะวันนี้เป็นวันที่ยี่สิบเก้ามกราคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้า วันพุ่งนี้เป็นวันครอบรอบวันมรณะหรือจุตินิพพานขององค์หลวงตาวัดป่าบ้านตาดทาไม่มีอะไรหลวงพ่อเขาคงจะได้ไปแต่วันนี้จะใหเอารถเอาส่งเข้าประทายข้าเปลือกไปที่คนมาถวายนะเราค็ไม่ได้ทำนาแต่มีคนมาถวายเราก็ถวายต่อไปเพื่อร่วมสมทบทำบุญ ที่หลวงตาเคยทำที่วัดป่บาบ้านตาด <c oughs> วันนี้คงจะให้พระไปสงฆ์ก่อนแต่วันพรุ่งนี้หลวงพ่อคงจะออกไปแต่เช้ามืดศรัทธาญาติโยมผวกคนในวัดทาไม่มีรถก็บอกถ้าไม่มีถ้ามีรถแล้วก็ต่างคนต่างไปก็แล้วกันนะไปร่วมทำบุญกับองค์หลวงตา ลำลึกถึงพระคุณของหลวงตาวันที่สามสิบมกราห้าแปดห้าเก้านะวันที่ห้าเก้าห้าปีเต็มนะั้นลูกหลานนะหลวงพ่อนับข้อมือดูแล้วห้าปีเต็มพอดีแต่ว่าปีต่อไปนะี่ก็เป็นมะืนี่ก็เป็นเป็นปีที่หะที่หลวงตาจุตินิพพานไปแต่ก็เป็นห่วงแต่เรื่อง พระเจดีย์นั่นแหลที่วัดป่าบ้านตาก็ยังเป็นโลเป็นภายยังกระตุกกระดักกันอยู่ถึงอย่างไงก็ตามมันนั้นหรือวัตถุภายนอกเราจะถือเป็นตุเป็นตะเราจะเป็นหนักใจกับวัตถุภายนอกไม่ใช่หน้าที่พระพุทธเจ้าพระหัตถสาวกพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระพุทธเจ้าของเรา ท่านเคยสร้างมาเท่าไหร่สร้างท้าวอนวัตถุไว้ในโลกเนี่ยสร้างเท่าไหร่ก็พังไปเท่านั้นแหละเห็นไหมละ่ะที่สร้างมาจากต่างประเทศเขาสร้างมาไอ้คนที่สร้างไปไหนหมดไม่รู้ไปไหนหายไปไหนมาก็ชั่วลูกชั่วหลานเผลอๆยังมาทบุบมาเลย อ, อีกต่างหาก แต่คนที่ทำาน่ทำแทบล้มแทบตายทำด้วยความตั้ง อ, อกตั้งใจพอทำแล้วบางครั้งก็แผ่นดินไหวบัางน้ำท่วมบ้างมีอันเป็นไปก็ทำให้ทาวรวัตถุเหล่านั้นพังทะเลทลายระเลงละลายไปเพราะนั้นเราอย่าไปคิดว่า สร้างวัาวรวัตถุนะั่นจะเป็นจิตเป็นใจเป็นตุกเป็นตักเป็นมักเป็นผลจริงๆมันไม่ใช่เราต้องคิดคิดคิดให้ดูให้ดีเอาโบราณเอาโบราณสถานนะมาเปรียบเทียบกับการที่พวกเราจะสร้างเราจะสร้างไหนสร้างเพื่อใครออออสร้างเพื่อบูชานะออบูชาพระคุณของอ ง, องค์หลวงตาแต่นั้นแะแกระจบ ทำไม่ได้สร้างนะไม่สร้างนะไม่เป็นไรปฏิบัติบูชาปฏิบัติบูชาก็ได้เพราะอะไรเพราะอำ่ำไม่อํานวยความสะดวกมันไม่สะดวกในเมื่อสะดวกจะไปทําเข้าไปมันก็ไปเป็นไม่เป็นมงคลอีกเหมือนกันเพราะนั้นเราต้องเราต้องปล่อยวางได้ทุกอย่างในจิตใจของเราโลกนี้เป็นโลกอนิจจังโลกอนิจจังโลกทุกขงังโลกอนัตตา มันไม่ใช่ตัวตนของเราทั้งหมดเห็นไหมในอดีตชาติที่พระพุทธเจ้าสร้างมาเมืองไหนตัวเมืองไหนนครวัดนคนทรทมประเทศคมัมเบนบุรุพุโทโธนะประเทศอินเดียขนาดไหนที่เขาสร้างพวกเราไปเห็นแล้ไม่น่าคิดไม่น่าทำได้ มนุษย์แต่สมัยนั้นเขาใช้เครื่องมืออะไรเนะี่ยถึงขนาดนั้นแหละแต่ผู้ที่สร้างไปไหนหมดตายเป็นผีไปหมดถ้าพระพุทธเจ้าหรือพระอารยสาวงท่านยังอยู่ท่านคงจะถามว่าเนะี่ยในช่างคนนี้คนกลุ่มนี้นะไปไหนตายแล้วไปไหนท่านคงจะรู้ได้เพราะว่า แต่โดยมากก็ถ้าว่าจิตใจที่เป็นกุศลของคงจะไปสู่สวรรค์ น, น่ะแต่ถ้าว่าจิตใจพอสร้างขึ้นแล้วก็มีแต่โมรมอารมณ์โมโหโกธากโกรธให้กันทะเลาะวิวาทกันะคงจะไปตกนรกก่อ น, นอืมมีทั้งดีมีทั้งชั่วนะโลกนี้เพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะอันนี้ก็หลวงพ่อให้พวกแนวความคิดสําหรับพวกเรา หลวงพ่อเองไม่เห็ใหนักใจกับเรื่องวัตถุภายนอกนะไม่ให้หนักใจกเรื่องวัตถุภายนอ ก, นะน ก, อ, ะน อ, กอะไรก็ได้เราไม่ใช่ว่าจะอยู่โชคฟ้าดินจะลายตายไม่เป็นไม่ใช่เราจะต้องตายแน่ๆอีกสักวันหนึ่งไม่รู้ว่าวันไหนละ่ะแค่ว่าตัวเองตายไม่เปลี่ยนเออเอาเถอะเอาอะไรก็เอาไปทําไปแต่คิดว่าตัวเองจะตายเป็นอยู่อย่าต้องมองดูชีวิตของตัวเองอันไหน ในใจของเรามีคุณงามความดีเพียงพอหรือยังประกอบคุณงามความดีเพียงพอหรือยังมรรคผลนิพพานในจิตใจของเราบริบูรณ์หรีองังถ้ายัง อ, อย่าไปชะล่าใจพร้อมที่จะตกไปไหนไปไนัตสถานที่ไหนก็ได้เผเอๆจะสร้างใจรู้หล่อ ร, ร, รู้หลาโออาขนาดไหนก็เถิดตกนรกก็มีตั้งมากมาย ดังหลวงตามหาบัวท่านยังบอกแล้วสั่งองีกเขาจะสร้างโบสถ์ให้ท่านท่านโมกยานะไม่เอาพอสร้างขึ้นมาแล้วเดี๋ยวกระดุกพระที่กระดุกพระที่สร้างเนะี่ยคนที่สร้างเนะี่ยทางชาววนวัตถุเนะี่ยมีแต่คิดแต่ทางโลกทางโลกเปิดนิสุกันนะพอสร้างขึ้นมาแล้วพระคนนั้นนะออกไปนอกลูกนอกทาง ออได้คู่ได้เมียกันได้ผัวได้เมียกันในโบสถ์ในวิหารเนะีย่ยพอในสุด ต, ตายหมดตายนอกออกไปนอกศาสนากระดูกพระกระดูกเนนที่สร้างนั่นแนหะอยู่ในใต้โบสถ์ใต้วิหารทั้งหมดไปฝังไปทั้งหมดให้ใช่ไหมว่าท่านว่าฝังคํานี่ก็คืออะไรคือฝังคุณธรรมมักทั้งที่จะได้มักจะได้ผล พอสร้างขึ้นหมาถ้าจิตใจมันตกต่ําจิตใจมันมุ่งไว้ฝังไปทางโลกติดใจมันมุ่งมันต่ําตกต่ําไปทางกิเลสราคะโทสะโมหะมันจิตใจมันไม่ได้ภาวนาเนี่ยวันไหนกับวันเก่ามีแต่ทาการทํางานผลให้สุดจิตใจล่อยหลอลงไปเรื่อยๆต่ําซ้ำลงไปเรื่อยๆผลที่สุดนะ่ะถ้าจิตใจถ้าท่าพระรหานมาสร้างไม่เป็นไร พระโมคขาลาเนี่ยท่านสร้างเหมือนกันสร้างวัดสร้างวัดบุพผารามสร้างนางวัดนางวิสาขาเนี่ยพระพุทธเจ้าอํานวยให้พระโมกคาลาเป็นผู้ก่อสร้างบุพผารามเก้าเดือนพระโมคคลาเป็นผู้มีฤทธิ์เวลาจะไปนขนหินขนทรายขนไม้เกวียนเนี่ย เกวียนที่ไปขนเนี่ยไม่มีอุปสรรคเลยพอเหตุไรเพรา ะ, ะรเพราะพระโมกคลาใช้อิทธิฤทธิ์ไม่ให้มีอุปสรรคนเพราะฉะนั้นการก่อสร้างจึงไม่นานเก้าเดือนเสร็จพระโมกคลาเป็นผู้ผู้อำนวยการก่อสร้างหลวงตามาหาบัวท่านบอกว่าพระพุทธเจ้าอํานวยอํานวยการก่อสร้างให้พระโมกคลาเป็นคนดูดูแลพระโมกคลาเป็นใคร นะพรอหมกกาลาเป็นพระหานเป็นผู้มีฤทธิ์อีกต่างหากนะเราเป็นใครนะอํานวยการก่อสร้างเนะให้มองเรานะในหลวงตาเคยพูดนะพอสร้างเข้าไปแล้วเนะี่ยกระดูกพระเนรนะ์ตายจากกุณธรรมนะมดเลยนะเพราะนั้นเราจึงไม่อํานวยการก่อสร้างมากจนเกินไปนะแต่สร้างก็ให้ญาติโยมไปก้นสร้างถนะ้าพระสร้างนะเสียหย้อย อันนี้หลวงตาท่านก็เคยพูดเคยบอกกล่าวให้กับลูกศิษย์ลูกหานะเพราะฉะนั้นให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังเอาไว้คำเลยจริงหรือไม่จริงพวกเรามีสติปัญญาทั้งหมดนั่นแหะถ้าไม่ใช้ปัญญาหรือจะใช้ความคิดนี่ยหรือว่าพูดคำนั้นมันผิดเนี่ยมันผิดก็ว่ามันผิด่จะไปใส่ใจถ้าว่ามันถูกกันเออนํามาพิจารณาดูซิว่าใช่มีส่วนมากๆ ในการกวัวสร้างเพราะจิตใจมันตกต่ำแต่มุกมักผลนิพพานของพระพุทธเจ้าท่านสอนอะไรท่านสอนเน้นหนักให้เข้าสู่มักสู่ผลให้ภาวนาหาทางพ้นทุกข์ในวัฏสงสารอยขณะที่ทานอาหารนี่ก็เถิดนะการจะฉันอาหารเนี่ยอย่างพวกเราจะฉันอาหารเนี่ยโดยมากหลวงพ่อช่วงล่างๆลงนี่แหละหลวงพ่อพูดใน MP3 ส พูดใส่เทพนะพอเสร็จแล้วหลวงพ่อก็ไม่ได้พิจารณานานตามไม่จริงอยู่ที่วัดปาบ้านตาดนะเะวลาก่อนที่จะฉันอาหารเนะี่ยพอนั่งประจำที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะหลวงตาจะท่านจะนั่งกำหนดพิจารณานอาหารในบาทเนี่ยเป็นถึงหนึ่งถึงสองสามนาทีแล้วนะนะนานนะลูกหลานนะอันนี้ยึดเป็นแนวแถวปฏิปทาเอาไว้แต่พระทั้งหมด สมัยนั้นก็สิบหกองสิบเก้าองยี่สิบกว่าองเป็นอย่างมากยี่สบเอ็ดยี่สิบสององนะอย่างมากสมัยนั้นอนะ่ะปีสุดท้ายปีหลวงพ่อออกมาะพระพระมียี่สิบห้าองปีนั้นมากที่สุดที่อยู่จําพรรษาอ่าปีที่หลวงพ่อออกมาปีที่ยี่สิบห้ากัพระมียี่สิบห้าองหลวงพ่อจำํำนะนอกนั้นไม่เคยไม่เคยมากยี่สิบสององยี่สิบาองยี่สิบอง หน้าแรกนะ่าบ็สิบแปดสิบหกองก็ยังมีนะพระรังกับพระไทยเกือบครึ่งกันเวลาท่านจัดอาหารเสร็จเรียบร้อยลงตาท่านก็ไม่มีคนไม่มีแขกมีคนไม่มีคนมาในวัดมีอยู่สองสามสี่คนหลวงตาจะนั่งกำหนดอาหารพิจารณาปจวเวกคณะนะ อ, อย่างปฏิสังคายโยดิโซบินดะปาตังปฏิเซวามิ นวทวายะธรรมธาญามันธนาะาวิภูษณายะเนี่ยนี่แหละท่านใช้บทนี้ท่านนั่งมานั่งพิจารณาอาหารอาหารอยู่ในบาทเนี่ยอยู่ในบาศถ้าหากว่าเราเคี้ยวเข้าไปในปากแล้วก็บดเข้าไปก็อยู่ในท้อง ถึงจะอาหารประเภทไหนก็เถอะมันเข้าไปอยู่ในท้องมันรวมกันอยู่ในท้องของเราอยู่ในกระเพาะของเราแต่ถ้าว่าอยู่ในข้างนอกเนี่ยเอออ น, นั้นรถนั้นอันนี้รถนี้เออเพราะใจของเราไปกำหนดให้มันเพราะนั้นไปติดในรถอาหารเออหรืออาหารเนี่เป็นของเริศเลอเออผลที่สุดก็เลยทะเลวิวาทฆ่ากันได้เรื่องอาหาร แต่ตึงอาหารเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งสําหรับให้เลี้ยงเข้าไปแล้วพอร่างกายอยู่ได้ถึงจะอาหารประเภทไหนก็เถิดทานเข้าไปแล้วไม่เป็นพิษเป็นภัยกับร่างกายร่างกายรับได้แล้วกับน่นะก็เลี้ยงอาหารเลี้ยงเข้าไปในร่างกายก็ทําให้ร่างกายอยู่ได้เหมือนกับต้นไม้เมื่อขาดปุ๋ยปุ๋ยต้นไม้ก็อยู่ไม่ได้ถ้าขาดน้ําต้นไม้ก็อยู่ไม่ได้ ต้นไม้ต้องการปุ๋ยและน้ําร่างกายของเราก็เช่นเดียวกันก็เหมือนกับต้นไม้นั่นแหละเพราะฉะนั้นเราอย่าไปถืออาหารในสําคัญจนเกินไปถึงจะอาหารดิบดีขนาดไหนก็เถอะครบครบหมู่ห้าขนาดไหนก็เถอะอาหารน่ยถึงจะเลี้ยงเข้าไปในร่างกายกินทุกคําฮะ อีกไม่นานก็เห็นผมผมขาเห็นฟันหลุดเห็นหนังเหี่ยวตาฝ้าฟางหูตึงใช้ไม้เท้าผลิ้จุดนอนอยู่กับพื้นเลื่อมตายขยับขยื่นไม่ได้เพราะอายุแก่ถึงจะเลี้ยงขนาดไหนเลี้ยงเถอะเลี้ยงร่างกายมันไปสู่จุดจบของมันนี่แหละอันนี้คื อ, คอท่านให้พิจรารณาอาหารเป็นปัจเวกขณะ ให้พิจารณาอาหารเข้าสู่ร่างกายแต่เมื่อสู่ร่างกายแล้วที่แรกก็เนี <c oughs> ่ยเคี้ยวบดเข้าไปในอยู่ในกระเพาะพอย่อยจากกระเพาะเป็นะเป็นอุจจาระนะนั่นแหละก็สรุปแล้วก็คือตอนเช้าเป็นอย่างหนึ่งเมื่อเราฉันตอนเย็นมาอีกเป็นอย่างหนึ่งตอนพุ่งเช้ามาอีกอย่างหนึ่งแต่มันอันเดียวกันอันเดียวกันแต่มันกลายมันกลายเป็นอุจจาระไปได้ นี่แหละทุกทุกวันเราก็ต้องทานอาหารอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ทุกวันนี่แหละท่านจึงไม่ให้ติดในรสอาหารจนเกินไปบางคนโอ้ทำไมได้กินเข้าไปนั่นนะโกรธโมโหโกรธาเพราะนั้นโดยมากพระกรรมฐานหลวงพ่อเนี่ยลูกหลานได้สังเกตไหม หลวงพ่อไม่ได้ว่าอานนั้นอาหารเลิศรสอาหารดีอาหาราหารลวงพ่อชอบอย่างวันนี้หลวงพ่อจะไม่ว่าเพราะอะไรนี่แหละหลวงพ่อมาพิจารณาลงอาหารเนี่ยเป็นเพียงปัจจัยเออเป็นปัจจัยสําหรับเลี้ยงชีพเป็นวันหนึ่งเท่านั้นน่ะถึงจะอาหารกินอาหารติบดีขนาดไหนขนาดไหนก็เถอะเนี่อกินดีขนาดไหนกันไขมันยิ่งพอกพูนยิ่งตายง่ายอีกต่างหากเออเพราะอะไรเพราะ กินอาหารโปรตีนวิตามินถ้ากินผักกินหญ้าเข้าไปด้วยมันก็ไม่มีไขมันไ ต, ตคิดจะลายคอเลสซตอรอมันก็ไม่มากไงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าไปติดในรถอาหาร อาหารเพียงแต่ยังชีพให้เป็นไปยังชีพให้พอประทังชีวิตได้เท่านั้นแหล ะ, ะบางทีก็ได้ดีบ้างบางทีก็ดีบ้างบางทีก็ไม่ดีบ้างเราก็ไม่ต้องคิดว่าอันเราก็ไม่ต้องติดว่าอันนั้นดีอันนั้นไม่ดีวันนี้มันไม่ดีเอาไม่เป็นไรแต่วันต่อไปมันอาจจะดีแต่วันนี้มันดีเราก็ไม่ต้องดีใจอีกสักวันหนึ่งมันอาจจะไม่ดี เราต้องคิดไว้ในใจอย่างนั้นเสมอเพราะอาหารเน่ยมันเป็นเครื่องประทางชีวิตเท่านั้นเองสเพสตาอาหารริติกาจัดทั้งหลายเป็นอยู่ด้วยอาหารเพระเวลาเราจะชันอาหารนะหลวงตามหาบัวเนี่ยท่านนั่งกำหนดนิ่งถ้าองค์ไหนไม่ได้พิจารณาอาหารปรุปรุปับมาชันปุปปับ ม, มูมามเลยท่านจะชี้นิ้วทันทีองค์นั้นนะ่ะเออ มันฉันไม่มีปฏิสังขาโยนิโสมันฉันแบบกิเลสมองดูสินะพอฉันตาเธอออกไปข้างนอกอีกต่างหากมันไม่ได้สํารวมดูในบาทฉันฉันแบบลืมตัวเนี่แหละฉันแบบนี่แหละฉันแบบไปสู่นรกไ้พิจารณาอาหารให้แยบคายต้องพิจารณานะกำหนดนะถึงใครจะฉันก่อนก็เถอะ แต่ตัวเองยังไม่ได้พิจารณาย่าพึ่งฉันถ้าเอาตัวเองเข้ามา ป, ปปับเข้ามาแล้วก็เห็นหมูฉันกับฉันเลยเนาะไม่ได้และลงตานะท่านดา่าทันทีเลยอองนั้นนะเห็ดเนนะี่ยมันไม่ไม่ไมัน ไ, ไ, ไม่ได้พิจารณาปฏิสังขาอยู่นิโสเสเลยเข้ามาแล้วฉันอาหารเลยนะมันไม่ถูกนั่นนะ่ะมันไม่ถูกตามหลักธรรมคาสอนของอพระ พ, พุทธเจ้าน่ะฉันแบบลืมตัวนะ่ะ นันละกิเลสพอกพูนพอฉันไปเท่าไหร่นักิเลสในหัวใจในกิเลสราคะมันจะเหยียบหัวใจท่านะเข้าใจไหมแต่ถ้าท่านพิจารณาอสุภปฏิกูลดูเสมอนั่นแหะตน้นล่ะตัดกิเลสตัวกามลาคะออกจา ก, กจิตใจของท่านถ้าท่านไม่พิจารณานี่ยนักกิเลสตัวนั้นละ่ะมันจะพอกพูนในจิตใจของท่านลึกขึ้นไปเรื่อยๆสั่งสมก็ไปเรื่อยๆมีแต่เรื่องกิเลสฮะเข้าใจไหม งลงตามหาบัวท่านจะดูดุให้พระนะ เ, เพราะฉะนั้นให้พวกเราลูกหลานทุกคนให้ฟังเอาไว้แต่บางครั้งหลวงพ่อเทศนานพูดนานหลวงพ่อกลัวลูกหลานจะหิวบางคนบางคนก็นั่งคงจะนั่งพิจารณานในในขณะที่หลวงพ่อพูดกําลังมิตรหลวงพ่อมิตรพูดแล้วก็กลับมาพิจารณาอาหารอกีกก็ใช้เวลานานเกินไปหลวงพ่อก็มาคิดจุดนี้อีกเหมือนกันแต่ถึ้งยังไงลูกหลาน เวลานั่งนั่งเฝ้าบาทกับ น, นั่งพิจารณาดูก็ได้นะกำหนดอาหารในบาท เ, าเราเพียงแต่เพิ่มาธาตุในาธาตุของเรามีาธาตุสี่ดินน้ำลมไฟาาธาตุีก็คืออะไรดินก็คือเนี่ยกระดูกหรืออาหารที่เราไปในท้องน้ำเราก็ดื่มน้ำเข้าไปลม แล้วก็ลมหายใจเข้าออกไฟแ <|ar|> ต่พร so ิก <hazards> น <already iden Jessie> <description> no ี่อาจจะเป็นเพิ่มธาตุไฟนะหลวงพ่อว่านะเพราะมันเผ็ดมันร้อนนะเพิ่มธาตุไฟเข้าสู่ร่างกายนะนี่แหละเอ่ร่างที่ทานอาหารเข้าไปกับเพิ่มธาตุให้อยู่ได้เยเท่านั้นเองถึงจะเพิ่มขนาดไหนก็ตอกนี่อีกสักวันหนึ่งมันก็จงถึงจุดจบอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าว วันนั้นขอให้ลูกหลานทุกองนะการฉันการพิจารณาและการฉันอาหารต้องพิจารณาให้รอบคอบให้แยบคายถึงจะทานอาหารเข้าไปขนาดไหนก็เถอะนะเข้าไปอยู่ในท้องของเราเคี้ยวอาหารเข้าไปแต่ละคําเกินเข้าไปเป็นยังไงผลในสุดอยู่ในท้องออกจากในท้องของเราต่อไปวันรุ่งขึ้นเป็นยังไงมันกลายเป็นสิ่งปฏิกูลออกมานี่แหละ แต่วันเมื่อวานในชันอร่อยเหลือเกินฮะแต่วันนี้กลับมาเป็นของปฏิกูลเข้ามานี่ยร่างกายของเราเป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮท่านให้พิจารณานะให้พิจรารณาที่ว่าปฏิสังขโยนิโสบินดาปาตังปฏิเสวามิเทวทวายธรมทายะเนี่ยที่แรกกับปฏิสังขโยนิโส เ, เรื่องผ้านุ่งห่มให้พิจรารณาผ้านุ่งห่มถึงจะ ผ้าชิสวยงดงามขนาดไหนก็เถอะมาปิดปกปิดร่างกายมาหอมให้ร่างกายร่างกายนี่ก่อนอีกสักวันหนึ่งแก่เจ็บตายในที่สุดผลนี่สุดเหงื่อออกมาเนี่ยก็ผ้านี่ก็เราก็ต้องได้ซักผ้าอีกต่างหากเพราะร่างกายมันของปฏิกูลเปนของอสุภะ อ, อันนี้ก็นเนี่ยต่อมากับเรื่องยาแก่โรคภัยไข้เจ็บถึงยาจะหยุกดุกดีขนาดไหนก็เถอะเที่ยงร่างกาย ร่างกายนี่ก็พอประทังไปเท่านั้นแหะคำว่ายาคำว่ายา อ, อไม่ใช่ว่าห้ามทุกจริงทุกอย่างไม่ให้แก่เจ็บตายไม่ใช่เพียงแต่ยาประทังไปแล้วก็ที่ อ, อแล้วก็ที่อยู่อาศัยถึงที่อยู่อาศัยจะรูละโออา o R, ขนาดไหนก็เถเออะถึงจะอยู่เข้าไปแล้วอยู่นานๆเข้าไปก็แก่เจ็บตายในที่สุดสรุปแล้วก็คือพระพุเทธเจ้าได้ทําคําสอนของพระพุเทธเจ้า อยู่นสถานที่ใดก็ตามไม่ให้ไม่ให้ลืมตัวเนะี่ยจุดนี้นะั่ะนะนะที่พวกเราฟังฟังดูแลสังเกตดูแล้อย่าลืมตัวนะนะแก่เจ็บตายมีมีในที่สุดนะอนะถึงจะอยู่อย่างในสภาพอย่างไรก็ตามอย่าลืมตัวนะนะนี่แหละคําว่าอย่าลืมตัวคํานี้แหละให้พวกเราสํานึกมาอยู่เสมอนะตอนน่อไปรับพรนะเล น, นะ